นะกันมาทุกคนทุกคนแล้วพูดถึงอ่ะนะพ่อแม่ครู พรสนัดของท่านเหมือนกันท่านเคยทํายังไงมาท่านก็เอาวิธีนั้นมา 40 ห้องก็แล้วแต่ใครจะถูกจริตนิสัยกับวิธีไหนท่านได้โดยถ้าจะให้ท่านไปสอน ท่านจะเป็นเฉพาะวิธีที่ท่านทํามาน่ะทางหลวงพ่อก็อีกแบบมวยวัดนี่มันมวยวัดมันต่อยสะเปะ สติปัฏฐาน 4 ท่านก็บอกมีสติไปในกายเวทนาจิตธรรมอ่าก็มี มารู้อยู่ที่กายนะรู้กายแล้วมันถึงจะเข้าไปเห็นจิตเพราะมันมีแต่กายกับที่ อาจจะไม่ตรงตำราเพราะว่าหลวงพ่อก็ไม่ ปฏิบัติกายปฏิบัติจิตเรียนกายเรียนจิตนะกายเคลื่อนไหวไป 4 ท่านที่มาหากาย เห็นกายของหยาบ อย่าทะรุวาระจิตตัวเองจิตเนี่ยนึงเนี่ยยืนเดินนั่งนอน ขณะกิเลสเราเราถึงจะค่อยหมดไปนะค่อยเบาค่อยบางไปถ้าไปรู้ว่ารากิษย์คนอื่นกิเลสอาจจะหนากว่าเดิมนะถ้าเค้าคิดไม่ดีกับเราเนี่ยรูปรากิษย์นะถ้ากิเลสเราเต็มหัวใจ ถ้าคุณเรียนอย่างเต็มหัวใจอยู่รู้ว่าละจิตตัวเองเนี่ยมันจะทุกข์ก็ถอย อ่าเห็นชิดดีชิดกุศลอกุศลอะไรเรารู้ทันหมดเนี่ยๆครับกิเลสเราจะบางเนี่ยความเป็นตัวตนจะน้อยลงให้มันให้มันเห็นวาระจิต ดูหน้าคนนี้มาเดินสวนกันทีไรก็แม้ไม่อยากจะเห็นหน้ามันเลยมันก็คิดแบบเดียว ก็โลดโตดลงราคะตัณหามานะทิฏฐิน่ะตัวที่มันแบกแบกหนักๆอยู่ไม่ยอมปล่อยยอมวางน่ะปล่อยเป็นซะด้วยแล้วพอใจแบกอีกเรื่องหักตัวเองแบกจนหลัง ค่อยวางลงนะค่อยถ้าสติเราไม่มีมันก็ไปกับความคิดทั้งวันมันไม่ปล่อยให้หรอกมีแต่ยึดมันมี ถ้าเราภาวนาไปเนี่ยเห็นว่าระจิตตัวเองมันคิดปรุงแต่งไป คิดมาเราจะรู้ทันความคิดมาเราจะรู้ทันความคิดอ่าโกรธแล้วหลับตาบริกรรมๆเผลอมาแล้ว ถึงทับยากเนี่ยแม่ตายเนี่ยเนี่ยเริ่มตายแล้วอย่าจะเริ่มตายแล้วกิเลสจะ เพราะฉะนั้นหลับตาบริกรรมบริกรรมให้สงบอีกอยู่แค่นี้หรือวนเวียนอยู่แค่นี้ซะส่วนมาก คงจะหมดความสามารถมันถอยเพราะว่ามันมันพิจารณาแล้วไม่เป็นให้มันก็มากลับไปมาบริกรรมให้สงบเหมือนเดิมแล้วก็เลยติดความ แต่ถ้าทําอย่างนี้เนี่ยรู้สึกตัวไปเนี่ยมันจะมอง บรรลุตัวไปด้วยกันแบบนี้นะเนี่ยประสาทสมกําลังสติมากๆแล้วมันเป็นสมาธิ มันเห็นความไม่เที่ย่นเห็นการเกิดดับอ่าเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันต้องต้องฝึกอย่างนี้ไปยิ่งเรามีความสงบ เนี่ยมันจะเป็นประดับนี้เท่าว่าสะสมกําลังสติมากลําเป็นสมาธิจิตตั้ง นะก็รู้เฉยๆเนี่ยแหละเออมันคิดมาเราก็รู้เฉยๆเราอย่า แต่ถ้าเราไม่รู้เฉยๆเราเข้าไปโกรธมันจะมีเราโกรธทันทีอ่าถ้ารักก็จะมีเรารัก <the S 1> <awl> <exposure> มันจะละเอียดเข้าไปเรื่อยการรู้เฉยๆเนี่ยมันจะนะมันจะถี่เข้ามันจะหดเข้ามาอ่าแต่ก่อนมันกระจายไปทั่วโลกทั่วแผ่นดินหมดนั่นแหละความคิดฟุ้งซ่านกระจายไปเนี่ยมันไม่หดเข้ามาอย่างนี้ให้พอสติเลยยังไม่ทัน ถ้าเราทันความคิดเห็นมันคิดอย่างนี้แล้วอยู่นั่นจะเอาแต่ อ่าเอามารู้สึกตัวถ้าไปไม่ได้งั้นก็มารู้สึกตัว มันจะเป็นไปได้เหรอเราจะไปรู้เฉยๆมันจะเป็นหลัก 2-3 เดือนก็ได้จะเป็นอะไรไปเรา 3 เดือนอยู่สิถ้ามัน ที่หลวงพ่อมารู้ชื่อได้หลวงพ่อก็มีต้นทุนอยู่แล้วนะปี 3 4, 4 มันคือมันอยากกายอยากกิ๋ดให้เห็นนะคิดเอาเนี่ยมันมันไม่ไม่เป็นให้กับกลับมาบริกรรมให้สงบอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ไปคิด มันนี้มาก็เลยเอาพันธุ์ให้รู้เฉยๆเอาก็รู้เฉยๆไปหลวงพ่อก็รู้เฉยๆใหม่ๆมัน กัปพิเพียนพยายามอย่างงั้นมันๆอย่างเดียวพอรู้เฉยๆนานๆเข้าทีนี้มันจะ พอนั่นไปทีนี้มันเป็นอัตโนมัติแล้วมันทํางานเอง นะมันต้องพิสูจน์ด้วยด้วยการทดลองมันพิสูจน์ได้นะไม่ใช่ 3 เดือนเนาะ 2-3 3 เดือนทําให้มันต่อเนื่องดู มันจะเป็นไม่เป็นให้มันลองให้มันรู้เห็นด้วยการทด <laughs> ทำจริงๆจังๆแล้วมันไม่เห็นผลก็ค่อยว่ากันอันนี้เรายังไม่เหมือนกันอ่าเหมือนกินข้าวน่ะเอากินทีอีกทำทำ 4 ชั่วโมงค่อย เดินก็เหมือนกันนะนี่กับภาวนาก็เหมือนกันต้องทําให้มัน กูคงถอยถอยน่ะมันใจมันไม่สู้นะอิริยศรยังไงก็เชื่อมันหมดโดน แค่กระทิบว่าทราบนิดหน่อยมันก็เชื่อแล้วเพราะเป็นทาสรับใช้เข้ามา เห็นว่าเค้านินทาเค้ายืนนินทาแล้วนี่ว่านินทา หลอกมรรคทุกข์เป็นที่ข้ารับใช้เค้าอยู่ๆเออๆทั้งวันอ่ะใหม่ๆ มันคิดๆยังไม่ได้เกอะมันคิดไปก็รู้สึกตัวคิดไปอีกมันรู้สึกตัวอีกก็ทําแค่นี้เนี่ยสะสมไปอย่าง ไม่อยากจะต่อสู้ขัดขืนมันมันแล้ว <c oughs> อ่าตัวที่ไปกับความคิดคือตัวสร้างภพสังชาติถ้าไม่อยากเกิด เนี่ยกายาจิตในต่อไปมันแยกกายาจิตไกลรู้เฉย เขาก็รู้สึกว่ามันใช่ก็รู้สึกว่ามันแต่บางคนก็ๆท่านว่าทํา แล้วก็ให้หลวงพ่อเป็นที่ปรึกษาต่อ สิ่งและเราจะต้องยังไงต่อมีใครมีคำถามไหมครับนั้นคืออะไรและเราจะต้องยังไง เอ่อทําโดยที่ฟังธรรมมาจากพ่อเดี๋ยว เอ่อคือราก การในปัจจุบันค่ะคุณพ่อ แต่ก่อนเนี่ยก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าทํามาได้ระยะนึงก็เหมือน แบบเนี้ยค่ะก็ฟังคลิปหลวงพ่อมาไม่ไม่นานวันหมายถึงว่าฝึกสติ 1 วัน มันก็จะเห็นเกิดสภาวะขึ้นมาเลยว่าถ้า แล้วพอเราเห็นความคิดปุ๊บเนี่ยเหมือนใจอ่ะหรือ แล้วก็ๆพอๆปุ๊บก็จะเริ่มมีสติมากๆคือว่ามันลดลงใน ความนะคะเหมือนอย่างเราไปเจอเหตุการณ์อย่างเราเจอผึ้งหรือเจอสัตว์ ณณขณะนี้พอทําเสร็จเนี่ยเหมือนเอ่อเราจะมีสติอ่ะเพิ่มมากๆเพราะๆเฉยๆดูๆแบบเนี้ย นะถ้ามันแยกกายแยกจิตแล้วเราๆอย่างเดียวๆอ่าเราๆอ่ามันๆอย่าเข้าไปสุขไปทุกข์กับมันมันเป็นอาการเกิดดับสุขก็อาการเกิดดับทุกข์ เป็นอาการของจิตเป็นเงาของจิตถ้าจะว่าไปเราก็เราไม่รู้เราไม่มีสติเราก็ไปตะคุกเงา <naprawdę sec und ent> ก็เหมือนกันกับมันอยู่ในใจเรานี่ไอ้ที่มันออก จับไม่ถูกตัวจริงมันสักทีนะตื่นเงาเค้าเรียกคนตื่นเงาไม่ใช่คนตื่นทําน่ะล่ะเงาของจิตอาการนี่คือเงา เปิดชีวิตไฟฉายเนี่ยแสงไปไหนแล้วก็มองตามแสงไฟฉาย ไปตนอยู่ข้างนอกนู่นแต่ตัวจริงมันอยู่ข้างในนี่ต้องอยู่ข้างในมันถึงจะเห็นตัว เนี่ยมันออกไปจากจิตอันนี้แหละไอ้เงาอันนั้นน่ะตื่นเงามันไม่รู้ ดูจวนเนี่ยมาอยากเถือตัวจริงมันมาต้องย้อนเข้ามาอยู่ดูข้างในดูที่ไกลที่จิต เนี่ยน่ะจะไม่ตื่นเงาแล้วเนี่ยทั้งเนี่ยมันจะจับตัวมันได้ เข้ามาอยู่ดูข้างในมันถึงจะเห็นทีนี้มันจะแคบเข้ามา <ฮ. S 1> นะไม่ต้องไปหลงรู้เฉยๆมันมันมันว่างก็ไม่ชอบรู้เฉยๆอย่างเดียวเนี่ยจะไม่หลงนั่นแหละพอเราแล้ว มันจะทีเข้าทีเข้าหลงมันก็หลงน้อยลงรู้มันจะ เดียวๆโดดๆนะอ่ามันก็จะเหลือจะรู้อันเดียวมันเฉยอย่างเดียวรู้อันนี้มันจะ อ่าๆรู้ตัวๆมันจะรู้แบบไม่มีตัวมีตนน่ะรูปแบบธรรมชาติรู้อิสระของมันอ่าตอนนี้ พอรู้ทันตัวนี้เราจัดการตัวนี้เรียบร้อยแล้วมันรู้อันเดียวอ่าอ่ารู้เปลี่ยวๆหมดนะตัวจริงนั่น เป็นอิสระของมันรู้โดยอิสระนะคิดรู้มันก็รู้โดยอิสระของมันก็ นะก็คิดทั้งวันก็ไม่มีใครไปสุขไปทุกข์กับความคิดเพราะมันไม่มีเจ้าของความคิดเหมือนแต่ก่อนแล้วที ก็เหลือแต่ความคิดล้วนๆนะอ่าความคิดล้วนๆการปรุงแต่งล้วน ต้องให้ค่อยๆจับมือเขียนน่ะเป็นๆก็เป็นแล้วทีนี้ไม่ต้องบังคับ ตนหลงหายหมดเหลือแต่รู้อันเดียวเดียวนะมันเป็นอย่างงี้ถ้าถ้าทําไปมันก็ไม่ได้ยากนะสู่ถึง ถอยดีกว่าเนี่ยมันจะคอยสอนเราอยู่เรื่อยความคิดเนี่ยแล้วก็เชื่อมันด้วยเราเป็นธาตุมันมาหลายกลับหลายกันน่ะมันไม่อยากให้ อ่าทำมันแยก ถ้ารู้สึกตัวที่อะไรก็เสียเงินพันนึงเนี่ยเอาก่อนแล้วก็ไม่อยากจะเสียแล้วใช่มั้ยอัน ที่หลับตาก็ยิ่งความคิดก็ยิ่งมากไม่รู้มาจากไหนบ้างละความคิดนะจนนั่งไม่ได้ลําลําเกิดความทุงท่านลําขันใจ มันมันมีตัวคอยห้ามก็มีตัวเดียวที่ชี้คออยู่นั่นแหละมันจะคอยสับคอยเข็บอยู่ไม่อยากให้ออกจาก ก็ มันเกี่ยวฝึกปฏิบัตินะครับทุกข์มันดีอย่างนี้เนี่ยทุกข์ก็ทํามันไม่ชอบใช่ค่ะชอบที่หลวงพ่อเทศน์หนูมันเดือดเนี่ยพี่สามัคคีที่ที่มาถามถามหลวงพ่อ เอองั้นใช่มั้ยคะหลวงพ่อใช่ๆมันสติหลอกไปโกรธไปเกลียดเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยว ใช่ค่ะข้อมูลทั้งมวลคือสติมันไม่ไม่มันไม่สมบูรณ์มันไม่ได้มันก็เลยเป็นออกไปข้างนอกนั่นแหละมันก็ตามความคิดไปเข้าไปเป็นกับความคิดถ้าสติเราไม่ไม่ทันความคิดน่ะมันก็หลงไปกับความคิดน่ะถ้าหลงอ่ะเนี่ยสตินี่แหละ ใช่มั้ยใช่เออว่าไปแล้วเอ้า<า> มันไม่ได้ถ้าทีมไม่รู้ไม่เห็นก็ให้มัน แล้วเราทําไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อ 8 9 ชั่วโมงแบบ ที่หลวงพ่อบอกไงมันหินทับด่าที่เอ็ดเมตตาให้ เป๊ะเลยอ่ะค่ะหลวงโง่โง่ๆนั่นค่ะค่ะเออเอาแล้วจะจะเหรอ ไปไปกระโดดไปเล่นเข้าไปโกรธอะไรอย่างเงี้ย หมายเหตุสติจะพบแค่ตอนนั่งสมาธิเท่านั้นนั่นล่ะเค้าเรียกเค้าเรียกหินทับหญ้ามันไม่ตายหินทับหญ้าเอาหินเราไปกดไปก่มความคิดไว้เฉยๆเราไม่มีสติเราเราเราได้ความสงบแต่มันไม่มีสติ อ๋ออ่ะโหจะพยายามทาง ที่ปัดไปเรื่อยๆแล้วก็รู้รู้เฉย ค่ะมันชอบไม่ๆมันหงุดหงิดก็รู้เฉยๆมันโกรธขึ้นมาก็รู้เฉยชอบไม่ชอบก็รู้เฉย ทำไปเรื่อยๆใช่มั้ยค่ะค่ะหลวงพ่อทำงานทำพูดทำนี่อยู่ก็ รู้เฉยๆแล้วก็เราไม่เข้าไปเป็นมันนั่นแหละถ้าเราไม่เฉยเราจะเข้าไปไปเป็นถ้าสุขก็เป็นสุขกับมันเนี่ยเราไม่เฉยเราเราเข้าไปเป็นก็มีตัวเราอยู่ในการเข้าไปสุขไปทุกข์นั่นแต่ถ้าเราเฉยจะไม่มีตัวเราเราจะไม่ไปซ้ายไปขวาสุขเราก็ไม่ไปทุกข์เราก็ไม่ไป พอสุกกับไปสุกกับมันพอทุกข์กับไปทุกข์ ตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อพูดมาก่อนหลวงพ่อพูดตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยแต่ว่าพอ ก็มีผู้รู้และทิ้งผู้รู้อีกนั่นก็อีกขั้นหนึ่งอีกก็มีเหมือน ก็มาเจอประจอกเจออะไรไปแต่ตอนนั้นก็คือหลวงพ่อก็จะ ไม่เข้าๆหลายๆปีนะนั่งบริกรรมโอ้ความๆหลายๆ10 ปี 20 ปี 30 40 ปียังมีเลยนั่งบริกรรมให้สงบเนี่ยณ ปกติเราตื่นมาเรา ปุญจากที่นอนไปเอาเดินไปห้องน้ําเดินตอนลุกจากที่นอนไปก็ต้องมีสติละอ่าเดิน ล้างหน้าเช็ดหน้าอยู่ก็รู้ไทยหนักไทยเบาอยู่ก็รู้นั่นรู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นถ้ามันเผลอไปก็มารู้สึกตัวอยู่จนณขนาดนั้นเรา <travaille> เนี่ยให้มันต่อเนื่องนั่นน่ะจนไปไหนก็ให้รู้อยู่อย่างนั้นน่ะทําอย่างนั้นไปทํางานอยู่ เนี่ยทําจนมันเป็นความๆแล้วมันถึงจะกายแยกจิตออกจากกันให้เราเห็น อ่ามีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละนะอ่าสิ่งที่ถูกรู้มันเกิดดับหมดน่ะอย่างพวก ปรุอันนึงสิ่งที่ทุกข์รู้อันนึงมันจะเห็นกันอยู่ตลอดในกายกับจิตมันแยกกันมันจะเป็นอย่างงี้อัน คิดก็จะคิดไปข้อไปเป็นความคิดกับมันทันทีถ้าสติไม่ทันมันน่ะเนี่ยฝึกสติเพื่อจะให้มันทันความคิดแบบนี้สะสมไปไม่ใช่วันเดียวมันจะไป เป็นให้ทีเดียวนะต้นไม้ต้นใหญ่ๆแล้วจะไปขวานฟันทีเดียวให้ ถ้ามันเห็นของหยาบแล้วมันเข้าไปเห็นของละเอียด เราไม่ต้องไปใช้ความคิดอะไรมันคิดไปก็รู้เฉยๆอย่าไปคิด เท่ากลับมาเข้าบ้านให้มันรู้สึกตัวอีกเนี่ยเนี่ยทําอย่างนี้เนี่ยเราจนมันๆรู้ๆไปเรื่อยๆเนี่ยแหละแล้วๆสุกก็รู้แต่ไม่ไปสุกกับมันก็รู้ เนี่ยตัวเราถึงจะหมดไปนะถ้าเราเข้าไปเป็นทั้ง 2 ฝั่งเนี่ยทั้งสุกทั้งเป็นมันเป็นเรารู้เฉย 7 วัน 7 เดือน 7 ปีท่านก็รับรองไว้หมดแล้วพระพุทธเจ้าก็รับรองไว้หมดแล้วมีสติเป็นในเห็น แทนที่จะอยู่มันอยู่ที่กายเดินก็เห็นมันเดินอยู่เงี้ยเราไม่เราไม่เห็นกายเดินก็ไม่รู้ มันออกนอกหมดนั่นน่ะส่งจิตออกนอก ทำไมไม่รู้จักเขตจะกลับจะให้เค้าสับเค้าเข็บไปถึง รู้ทันน่ะมันคิดมากระรุทันก็ไม่พิคิดกับมันโกรธมารู้ทันพอใจเมื่อความคิดก็มีเหมือน เป็นเจ้าของความคิดอีกแล้วนะความคิดไม่ใช่งานไม่ได้อาการ ทำไมเออก็ไม่ได้เค้าสับโคเขกเอาเห็นมั้ยสติไม่ทันความคิดเนี่ยมันก็เป็นขี้ข้าวเค้าอยู่ไม่จบ ทำทำเดือดนะไปนั่งทํางานอยู่คิดมาอะไรก็โกรธอีกนะไปนั่งอาบน้ําอยู่เหมือนกันมาอะไรก็คําที่เขาด่าให้เหมือนอะไรแม้ก็ฉุนขึ้นมาอีกละแต่หน้าเดิมมันมาหลอกเราแล้วทําละแม่เราเชื่อมันละ พอมีสติมันก็ใช้งานเราไม่ได้แล้วเนี่ย เราไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าข้าน้อมนําแต่คําสอนของกิเลสมาปรึกฝึกปฏิบัติ ก็ไม่ต้องไปยืมใครมามันมีทุกคนแล้วอุปกรณ์มีแล้ว ทำอะไรอยู่ก็เห็นมันอยู่ตลอดเวลาน่ะให้มันอยู่ในสายตาไงกายเนี่ยต้องเหม็ดๆนะมันก็ ใครฟังอยู่แล้วก็ชะเง้อไปฝั่งนู้นก็เห็นแต่น้ําจืดฟ้าก็ถอยแล้วความเพียรอะไรไม่มีไม่เหมือนพระมหาชนกเลยนะนั่น การเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นิโยคพักพรากล้มหายตายจากกันเกิดอยู่เหรอเกิดขึ้นชีคอ กิเลสสักบ้างทีนี้นะเนี่ยมีสติเองนะตั้งใจทําเนี่ยให้ได้พ้นทุกข์กันทุกคนทุกคนอ่าปัจจุบันชาติ ก็ต้องตามอาบัวเรียกว่าหลวงปู่บุญฤทธิ์ท่านก็พูดถึงเรื่องสติมาทั้งหมดนะครับซึ่งท่านใดที่ไป มีใครจะถามอะไรมั้ยครับกราบ เราทําอารทถังโลกเปรียบเสมือนว่าเรียนตั้งตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่อนุบาล 1 เราเรจนไปถึง ป. 6 นะครับคือการมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาแล้ว แล้วก็ดูความคิดอีกความคิดน่ะมันไม่ใช่เราคิดความ อะไรที่กดน้ําที่อะไรน้ําต่างๆโอ้นี่มันเป็นความคิด 1 อะไรอะไรแล้วแล 1, 1 จนความคิดเนี่ยเรารู้อ่ะรู้ไปเรื่อยๆมี จบ ม.6 แล้วกําลังจะขึ้นปริญญาตีนะครับอันนี้การขึ้นปริญญาตีเนี่ยมันก็ 2567 ซึ่ง โยมยังหลงหลงว่ารู้อยู่นะเดี๋ยวจะรู้ๆอ่ะเค้าไม่ไม่ใช่ 20 วันตัว ทิ้งทิ้งตัว 14 พฤศจิกายน 2567 จาก 25 จาก 25 ตุลาคมที่ 20 วันผม ผมเลยส่งจิตไปคิดอะไรเลยเร 14 อ่ะตอน 03:00 45 พอตื่นขึ้นมาปุ๊บผมก็จะจะดู 5 มกราคม 2565 ตั้งแต่ตื่นนอนเลยผมไม่ 15 นาทีเวลา 15 นาทีเวลาตลอดทั้งวันน่ะผม ให้มีสติแล้วต่อจากนั้นไปอยู่เวลาว่าจะ 2567 นะครับจริงๆแล้วผมเห็นผู้รู้แล้วผมเห็นผู้รู้ 26 ตุลาคมเอ้ย 26 เมษายน 2566 แล้วไปแต่ผมก็ไปคิดว่าเอ๊ะพบผู้รู้ต้องทําลายผู้ นะครับเค้าจะรู้อะไรแล้ว 14 พฤศจิกายนนะครับ 2567 น่ะจิตมันเริ่มหมุนผมไปเข้าห้องน้ําจะแปลงไม่ไหว จริงๆแล้วพอนั่นเสร็จปุ๊บเค้าดีดออกผู้รู้ก็ไม่ใช่เราอีกเค้าดีด ขดีดลูกเวทนานิญาณทั้งขันออกมาอย่างละกองแล้วก็ ตุลาคม 2567 พอผมเล่นเสร็จปุ๊บผมส่งแฟนมาขึ้นรถบริการเรียบร้อยเสร็จอยู่ตรงตรงกลางทรงอกอยู่นะครับแต่นี้อ่ะพอ แล้วเค้าก็ถามว่าใครเป็นผู้เห็นกระเป๋าผมก็บอกว่าก็ตาลูกตาผมเนี่ยไปเห็นเค้าบอกไม่ใช่ลูกตาเป็นสิ่งที่ถูกเห็นคือมันมีผู้ผู้เห็นนะฮะแล้วก็สิ่งที่ถูกเห็นนะครับเค้าบอกไม่ใช่เค้าน่ะเป็นผู้ ที่เวทนาดิสัญญาสังขารออกมาแล้วก็ดิไอ้ มันมันไม่มีทุกข์อะไรเหมือนเมื่อก่อนน่ะมันออกไปมัน 66 ก่อนว่าว่าอันเนี้ยกายเนี้ยไม่ใช่เราเพราะว่าจิตน่ะเค้าแยกรูปแยกจะกลับเข้ามาผมบอกเฮ้ยกลับนะ นั่นแหละผมเห็นตรงนั้นแล้วผมเลยรู้ว่าตายเนี่ยไม่ใช่เราโลกโลกนี่ไม่ 3 ตัว มันรู้มันเห็นหมดแล้วเพราะมันมันไม่ใช่ของเราแม้แต่ทั้งร่างกายยังไม่ใช่ของเราเลยเนี่ยน่ะ